อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ406 1นภิกษุสําคัญว่าบุคคลอายุยนตกว่า20ปีว่าจะอายุจะครบ20ปีจึงอุปสมบทให้2อภิกษุสําคัญบุคคลอายุครบ20ปีว่าอายุครบ20ปีจึงอุปสมบทให้3าภิกษุวิกลจริตสี่ภิกษุต้นบัญญัติปูนาวีสติวัตสสิขาบทที่5จบ